โ อ, อกาสนี้มันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันมนัสการพระธธรัชนาฏรัยแล้วตอนนี้ไปใค้รวบรวมกำลังใจให้อยู่ในคือของกุศลเอันดับแรกตั้งใจฟองเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดตัวเรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคำย่างนีที่ว่าจิตเป็นสมาธิก็คำว่าสมาธิแตลว่าตั้งใจวา่าเฉพาะเีตใจหีน่นหนึ่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อเส้น ท, ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน ประ่อวานนี้ได้กล่าวแล้วตามพระพุทธพน์ทธทิองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอาทิตยสิทธิขาเป็นกําลังของพระโสดากับภ菩萨กิจทาคาอาทิจิตสิทธขาเป็นกําลังของพระอนาคามีอาทิตปัญญาสิทธขาเป็นกําลังของพระอรหัตตผล นี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมรกถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโและติริชานคาชาจงจำไว้ว่า้ารมณ์ใดที่ประกอบปด้วยความรัก แต่ก่อไปในความโลภแต่ก่อไปในความโกรธแต่ก่อไปใยความโงอันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ที่เดรัฉานคําว่าเดฉัจานก็หมายความว่าไปขวางนิรัฉานนี่ก็แปลว่าไปขวางขวางคือไม่ขวางจากทางดีไ ม, ไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นจาการเขาเดรัฉาน ใจคิดเป็นใจคนดิเรกฉานวาจากล่าวเป็นจิตเรกชานนาคาถาเป็นวาจาของดิรรกชนันการทําแปลกายคนดิเดเรกชนันใช่ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการคนดิรรกชันทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการติดทางติดคนดีทางวาจาคนดีทางใจคนดีจงอย่ามีในสมนักของเรา จงระมัดรวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่นว่าจงอย่าสนใจอารมณ์ของคนอื่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคนอื่นให้พยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ และให้ทรงสมบูริหารสีมีอิทิบบาทสีฟังแล้วก็ทดจจำจำแล้วก็ลงประพฤติปฏิบัติจงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็ไม่เร็วกว่าคนเพราะเรียกว่าตัปนายะไวยยโม ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคนอื่นทุกคนที่เข้ามาในนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีระคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำกิดเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น อย่ามาเสียที่นี่ก็อะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติเป็นเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิสินนิสิกามีศินเป็นปกติคนที่เขามีสินเขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคนอื่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสำคัญ ถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายแม้ก็ไม่ดีูดาาด่ถ้ากายก็ดีวาใจเก็ดีถ้าจิตเราเร็ววาใจเขาเร็วกายก็รเรวนี่ทุกคนจองสํานึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการจิตระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบที่ไหน์เราควบคุมศิลสิ่ ง, บบ ง, งรรทงบบี่เรามีเท่าไหร่ ทำแฝงไม่ครบธรรมะมีเท่าไร่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สรถะมีสี่จิตปฏิบัติให้ครบอารมณ์มีปัจจานายานมีเท่าไหร่ปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามจิตประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น <c oughs> อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นก็ช่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเ็ามีอารมณ์เป็นสุขเราก็ามีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทำคนอื่นเขามีอารมณ์เราร้อนเราก็จะรับอารมณ์เราร้อนเช่นเดียวกัน เจ่พระพุทธเจ้า ก, กล่าวว่าผู้ชาลพติผู้ชังวั น, นโกพฏิวันฉนาัผู้บูชา ย, ยมโดยการบูชาตอบผู้ไหว ย, ยมโดยย่วยไหวตอบถ้าเรามีโทมิหานสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความเร้าร้อนไม่ก็ไม่เกิดขึ้นมี่ขอทุกท่านจงให้ยางควบคุมกำลังใจเพื่อพิบัติให้ถูกแบบ พุทธสถานนี่เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้าพ <c oughs> ระพุทธเจ้าย่อมมาเลี้ยงคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่สคงดีนีิใครหักปักใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าลงโทษ อย่าความดีเขามาบวกถือว่าทําความดีถ้าทําความชั่วไม่มีโทษอันนี้ในดาษไม่คนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกําลังใจของเราเข้าถึงเทโสดาปฏิผลอารมณ์แห่งเทโสดาปฏิผลเนี่ความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่ เราบวชขึนเข้ามาแล้วเวลานา น, านพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้ไม่พูดสาหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่าอารมณ์ชั่วก็รู้ว่าปากชั่วจริยาเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว นี่เราจะปราบ ค, ความชั่วของเร า, ราอะไรก็ทรงคงมีหางสีไว้เป็นสำคัญถ้ามีรงมีหางสีแล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่ก็โสดาบันเึ็นบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆหรือการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสิ่ให้บริสุทธิ์ ไม่ทํากายสุจริตวจีสุจริตมันโลสุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมันโลสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นใจยาของครวัวัดหรือของพระสําหรับพระเนรไมีศีล ม, ม, มากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเปเรียบเทียบกับสติฐานสู้สติฐานไม่ได้ ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ตอนนี้เมื่อคืนอธิบายกัมนมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีกายคารุติวพุทธธรรมประสงค์และมีสินห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอธิอศินและสิกขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสดาเกษิพาคาเมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปาลารลเป็บอกว่าประการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต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 ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโสดได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสีรเหล่กกานี้ยักยั่งอยู่ในขอบเขตของสิ่มีวงแคบเข้ามาตันนี้เลื่อคนนี้เราพูดกันถึงอาการที่ทรงพระโสดาบันอันนี้ถ้าใครพยายามาถาม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 ในพระธรรมที่พระพุทธจเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรมานุสติสมถทานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธจเจ้าทรงสั่สอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านนึกถึงท่านเขไว้อย่างนี้เป็นสังขารุสติสมถทาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระมิจฉาบรรทรงมอบให้แนะนําสั่งสอนเราระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปราศจาอยู่ว่าอยู่ครบพ้นดีดีอย่างนี้เป็นศีลานุสติธรรมฐานเรานึกถึงผลิพานเป็นอารมณ์คิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือผลิพนาน อย่างนี้เป็นอุปส ม, มารุสติกรรมฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายข้าวตายส า, า ย, า ต, ายาตายบ่ายตายเทีย่ยงตายด้วยาการปกติจะตายด้วยอุบติเหตุก็ตามก็คิดว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทาชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโกยความดีใส่กำลังใจว่าให้มันครบ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการทุกบริบูรณ์ทั้งหมดตอนในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนุวาตได้คัศมะที่ติดของพระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างวันเลี้ยงพุทธานุสติ สองธรรมานุสติสามสังขารนุสติสี่ศีลานุสติหา้าอุปสมานุสติหกมรณ า, านุสติ mm hmm. นการเจริญพระกรรมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงนการที่จะเป็นพระโสดาบันมีกฎบังคับว่าถ้ารมจิตต่ำกว่าพระธรมวิาจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไม่ได้ อย่างเร็วที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติแต่อย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติแต่ฌานที่สี่นี้ปกติไม่ได้ปกติก็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้พยยามปกติธรรมดาก็พูดเราคุยเราทางานอย่างนี้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ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 นี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดจากบุคคลอืน่นจะไปยุ่งหนังจริยาของบุคคลอืน่นจะไปยุ่งแตกายของบุคคลอืน่นจะไปติโ น, น่นติงนี่ว่าคนนั้นดตายคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหม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 ถ้าเป็นพระเฉลียวพระชั้นเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสชั้นดีแต่ถ้าอารมณ์ก็เราซามลงไปราศไปกว่าปะโสดาบันละ่ะถ้าเถึงพระก็เลยเป็นพระโดยฐานปัจจัยฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปได้กิเลสเป็นพาลชนคนโงู โง่ก็ไรโง่ก็ไม่คุมความดีไม่สร้างไม่หาความสุขให้เกิดแก่ตนทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงพระโสดาบันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมงคลตึ่นข่าวคําว่าไม่ถือมงคนตึ่นข่าวก็หมายความเขาเฮที่ไหนไปที่ไหนเขาเลยที่น่นดีไปที่น่นที่นี่ดีมาที่นี่คนที่สุดหายดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก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 ไม่ได้ใช่ไหนั่งนับถือตัวบุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระองค์นี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราะท่านถือว่าเป็นศาสตยบุตรพุทธะจริงหรือไม่ฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสดาบันแล้วยิงยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพนางสามาวดี พระเจ้าเทีนบรมกรศักริ์เริ่มบาทเท่าเธอจะทรงขอเข้ามาโพรการหลงผิดลงโทษพนาศสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกศรไม่ทำอันตรายพนางพระเจ้าเทีนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ก็ไม่ขอเข้ามาก็ราะบิดายขมบองฉันนี่การผิดิ ใดพระอริยเจ้าต้องขอขมาตรงพระพุทธเจ้านี้ก็เรียกว่าขอขมาตวีดายก็เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อฉะนั้นขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมย่อมอย่านำความเร็วเข้ามาไว้ในจิตไร่ควรทราบ ว่าสนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้ากับบุคคลบุญใดทําความดีเพียงใดนั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความทั่วต้องเป็นเรื่องของความทั่ว ยาความชั่วเข้ามากู้ความดีเข้ามากู้ความชั่วอันนี้อาภัยให้ไม่ได้แล้วก็จะแจวผู้ปฏิบัติ่างนั้นดะนั้นขอท่าหนหลายภาพปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้แต่ความจริงประโสดาบันน่ใครปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประสดาบันนี้รู้สึกว่าจะเร็วเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก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 อยากรวยก็รวยในความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครธรรมะให้จริงตามปกติโกรดแต่เราไม่ประหัตประหารบุคคลอื่นหลงยังรับสวยและงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไป็ของง่ายๆยากฝากพ่อเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทําได้หวังว่าต่อ น, นี้ไปท่านทั้งหลายคงจะไม่มีใครเหลวมีแต่ความดี แล้วก็ทรงความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ข้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่คลองผ้าขาวสาวพัดสาหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พึงระว่าก็อขอยกย่องว่าจะทรงความนี้ได้จัดก็เป็นความดีแต่อจากนี้ไปขอทอ่านทังหลายโปรดตั้งกายส่งดําลจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาสัยจึงกว่าจะได้ยินเสัญญาณบอกบมเวลา